2. ส, สังคาทิเศษกันจำนวนอาบัตในสังคาทิเศษกันสังคาที่เศษสิกขาบทที่หนึ่งเพราะภิกษุณีผู้ก่อคดีพิพาทเป็นปัจจัยต้องอาบัตสามอย่างคือ 1. บอกเรื่องของคนหนึ่งต้องอาบัตทุกกฎ 2. บอกเรื่องของคนที่สองต้องอาบัติทุลใจสามเมื่อศาลตัดสินแล้วต้องอาบัติสังคาทิเศษ